ก็กราบบูชาพระรัตนตรยัยก็กราบครวะพระจันทร์ทรงศิล์พระจันทร์ฉัตรชัยก็กราบครวะเพื่อนสาธรรมิกก็เจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในวันนี้พวกเราก็ได้ เอ่อมาปฏิบัติธรรมนะมาเจริญสติกันวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่วันที่5้าแล้วละ่ะก็คิดว่าแต่ละคนนะก็ได้เรียนรู้ความจริงที่เป็นสัจธรรมนะซึ่งการเรียนรู้ความจริงเนี่ยเราอาศัยความรู้สึกตัว นะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือนะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเลยวันแรกๆเนี่ยนะมันเบือจริงๆมันเหนื่อยจริงๆมันง่วงจริง ๆ, ๆแต่มันเป็นความจริงนะเราจะไปปฏิเสธมันนะพอมาถึงวันนี้เนี่ยเราคงจะสรุปได้แล้วว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนวันนั้นนะใช่ไหม วันนี้รู้สึกสบายขึ้นเบาขึ้นแต่มันก็ยังล่วงอยู่นะมันก็ยังบื่ออยู่วนะ่ะมันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่อนะ่ะแต่ว่ามันเบาตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกตัวเราเริ่มชัดเจนขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้มันอะไรก็ไม่รู้นะความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างไงเคยคิดว่ามาปฏิบัติธรรมมาฝึกสมาธินี่ มันต้องสงบมันต้องนิ่งๆมันต้องเย็นๆไปนึกถึงภาพที่ก็ติดโปสเตอร์ทั่วเมืองเลยนั่งหลับตาใต้ต้นไม้มีสายน้ำเย็นๆไหลผ่านธรรมาที่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมในจินตนาการของเราอะ่ะหรือบางคนอ่านหนังสือมากๆนะธรรมะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้อง ว่าด้วยเรื่องอริยสัจสี่มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีปฏิจจสมุรปรบาทมีโพธิ ป, ปัจจะธรรมสาสิบแปดโอ้โหเยอะแยะเลยนะมีตัวหนังสือเยอะเลยคนนี่อ่านหนังสือเยอะๆเนะี่ยมันจะมีพวกนได้โผล่ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอันนั้นน่ะคือธรรมะอันนั้นน่ะคือความจริงแต่ไม่ใช่เลยอันนั้นคือความคิดอันนั้นคือความจําอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหมาย ก็แล้วความจริงมันคืออะไรก็อนี่ไงความเจ็บความปวดความเมื่อยความฟุ้งซ่านความเบือ่อและในเวลาเดียวกันมันก็มีความเบานะมีความสบายๆนะบางทีก็รู้สึกสบายๆตัวนะ อันนี้เป็นสิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นธรรมะที่แสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเรียนรู้ความจริงเนี่ยนะก็คือเป็นความจริงที่แสดงที่ปรากฏออกมานั่นเองไม่ใช่ความจริงที่เรานึกเราคิดอันนั้นมันจินตนาการและความจริงเนี่ย บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดนะแล้วมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการนะเพราะธรรมชาติเขายิ่งใหญ่เขาไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครเขาเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไปเขาจะเป็นอย่างไงก็ เ, เป็นอย่างนั้นเรามีหน้าที่เพียงแต่ดูรู้เห็นแล้วไม่เข้าเป็เป็นกับเขามันล่วงเราก็รล่วงล่วง แต่เราก็ไม่ไม่ไม่เข้าไปเ อ, อสมทบกับเขาไปคิดจินตนาการแหมมันน่าจะนอนน่าจะได้ถ้าอยู่บ้านเนี้ยตงใส่หลับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไนมะแต่เราฝืนวันแรกๆเราฝืนเราไม่ยอมจำนนกับความง่วงสุดท้ายเราก็ผ่านได้ผ่านด้วยอะไรด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั่นแหละทําให้เราผ่านอารมณ์ต่างๆ นะทั้งความง่วงความเบื่อความเซ็งความฟุ้งซ่านหรือแม้แต่ความเบาความสบายความปิติราบซ้านต่างๆที่เกิดขึ้นแลนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่ดีที่ชัดซึ่งเกิดจากการที่เราทำนี่แหละนะมันก็จะผ่านได้ทุกอารมณ์ เพราะนั้นการเจริญสติเราเจริญสติเพื่อให้ผ่านอารมณ์เหล่านี้และเมื่อเราผ่านเราก็จะเก่งขึ้นปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเองว่าสิ่งต่างๆาเหล่านี้เป็นธรรมดาธรรมชาติของเขามีมาแล้วก็ผ่านไปไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นไปอย่างใจเราได้เรามีหน้าที่เป็นเพียงผู้ดู ไม่เข้าไปอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นตรงเนี้ยมันจะฉลาดขึ้นแล้วมันก็จะคืนสู่ความเป็นปกติเองความเป็นปกติของใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วเหมือนขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้ทุกคนโดยส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดูให้ดีใจเราจะปกติใช่ไหมไม่ทุกข์ไม่สุขไม่โกรธ ไม่โลภไม่หลงอาจจะมีง่วงบ้างนิดนิดนะเห็อาจจะมีบ้างแต่เราก็กลับมารู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวนี่แหละพาให้เรากลับคืนสู่ความเป็นปกติของใจความเป็นปกติของใจนี่แหละเป็นที่พักเป็นบ้านที่แท้จริงเป็นที่อยู่ที่แท้จริงชีวิตแต่ก่อนที่เราไม่ได้มาดูเรื่องนี้เราไม่ได้มาฝึกเรื่องนี้จิตใจเราไปอยู่กับสุขกับทุกข์อ่ะเห็นไหม สุขเราก็อยากให้มันอยู่นานๆทุกเราก็ไม่อยากให้มันก็นอยู่กับเราเราก็ไปสุขๆทุกๆอย่างเนี้ยชีวิตของเราก็เลยหนักๆเบาๆแต่มันจะหนักมากกว่าเบาบางทีนะใช่ไหมชีวิตของเรามันมันไม่มีหลักมีแหล่งเนะี้ยมันไม่มีหลักที่เป็นที่พักพิงของใจนะเพราะเราไม่รู้ว่า ที่พึ่งที่แท้จริงหรือบ้านที่แท้จริงที่พักผ่นของเราที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก้าวใจไปฝากกับวัตถุภายนอกอะไรที่ทําให้เราสุขเราก็ไปแสวงหาซึ่งก็เป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวนะสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวเดีเดก็ทุกข์อีกอะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิต ท, ที่ผ่านมาเราสังเกตดูให้ดีฮะสุขสุขทุกทุกแต่ถ้าเรากลับมาคืนสู่ความเป็นปกติเนี่ย ใจเราจะเป็นปกติเฉยๆทีนี้มันก็น่าสงสัยโหยี้ชีนก็จืดชืน่นนะเด็กชีวิตไม่มีรสมีชาติหาลืมไหมว่าไอ้รสจุดจืดๆเฉยๆเนี่ยนะรสชาติมันยิ่งกว่าสุกสุทุกๆุกเอาง่ายๆนะถ้าเรากาหายน้ําเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราหายก็คือน้ําหวานใช่ไหม น้ำเปรี้ยวใช่ไหมคือน้ําอะไรที่ทําให้เราแก้ก้าหายน้ําเปล่าน้ําจืดน้ําจืดเนี่ยทําให้เราก้าหายทําให้เราแก้ก้าหายได้เรากินน้ําหวานเรากินน้ําอะไรก็ตามมาจบที่น้ําจืดเหมือนการชีวิตที่สุขที่ทุกเนี่ยมันมาจบที่ปกติปกติใจเลยเป็นมาตรฐานนะมาตรฐานของใจมาตรฐานของชีวิตที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็คือ จะมาสัมผัสกับตรงนี้นี่เองแต่กว่าจะเข้าไปตรงนั้นได้มันก็ต้องผ่านสุขผ่านทุกข์โดยเฉพาะที่เรามาฝึกกันเนี่ยมันผ่านทุกข์มากวันแรกๆเนี่ยมันต้องปรับตัวใช่ไ้ยมันก็มีเครื่องบกลางกัน้นมาหลอกล่อเราว่าโอ้ไม่ไหวแนละ้วตายแน่เลยมีอยู่คนหนึ่งบอกเดี๋ยวขาจะหลุดแล้วเนี่ยเดินจนขาจะหลุดแล้วเนี่ยวันนี้ขาหลุดหรือยังนะสบายเลยตัวเบาเลยใช่ เอากับวันแรกอะนะฮมีบางคนก็บอกง่วงนั่นแะหนะละรับดิดนะกระตายบอกโหงง่วงสุดๆเลยไม่เคยง่วงขนาดนี้เลยพลังเขาว่านะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวความง่วงมันก็ยังมีอ่ะนะแต่ว่วามันไม่เคยมีอำนาจที่มาครอบงําเราเพราะความรู้สึกตัวของเรานั้นจะมีพลังมีกําลังมากกว่าความง่วงนะ บางทีเราก็จะได้สัมผัสบางคนก็ทําำน้ดตัวเบาๆสบายแต่อย่าไปติดมันนะตรงนั้นก็ระวังไม่ดีมันไม่ได้อยู่ตลอดเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะเหมือนเป็นการพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเป็นการเปิดตาข้างในนะหลวงพ่อคาเขียนยชกรรมตาวิเศษเปิดตานี้ขึ้นมาแล้วก็ดูมัน มันจะมาแสดงให้เราดูเหมือนเป็นละครลงใหญ่นะให้ดูให้รู้แต่อย่าเข้าไปอยู่กับมันนะถ้าเราเข้าไปอยู่กับมันเราก็สุขสุขทุกทุกอะ่ะชีวิตของเราน ะ, ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยบางทีมันก็หนักบางทีมันก็เบาบางทีมันก็อือดอัดตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆสังเกตนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญการจเจริญสติเนี่ย นะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกความรู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆก่อนความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นหลักสำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญอย่าใจร้อนไปดูความคิดเลยอย่าใจร้อนไปดูอารมณ์ต่างๆอารมณ์อะไรเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้น ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปให้ราคามันมันจะชวนให้เราคิดออกนอกเรื่องกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวที่เราทำยกมือก็ดีเดินจงกรมก็ดีหรือแม้แต่เราเดินไปทานข้าวระหว่างกินข้าวนะเนี่ยเราก็พยายามเก็บตกในรูปแบบก็คือสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะะสร้างจังหวะเดินจงกรมนะ แต่เทนะ่าที่สังเกตเนี่ยมันมีจุดอ่อนอันหนึ่งพอได้ยินเสียงะระฆังฮ้องหมดยกปุ๊บอ่าสบายแล้วจับกลุ่มคุยกันเลย <c oughs> เสร็จเลยนะสติที่เก็บมาเนี่ยทําสติเก็บไว้ในกระปุกใจกระปุกแตกเลยนะมาคุยกันล้สติหายแล้วนะอุตส่าห์ทํามาทั้งสามชั่วโมงมาเสียตอนคุยกันนี่แหละนะเพราะฉะนั้น เท่าที่สังเกตเนี่ยคนที่จะเกิดผลดีมีพัฒนาการที่ดีเขาจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยพูดค่อยคุยแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือออกไปนอกรูปแบบไปทากิจวัตรอะไรต่างๆก็พยายามที่จะมีความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆแต่แรกๆคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่รู้ตลอดลักมันก็รู้บ้างเผลอบ้างแต่กลับมารู้ให้ได้บ่อยๆนะ แต่ก่อนเคยคิด้อยเรื่องเอาสิบเรื่องกันแล้วกันไม่ต้องลอยเรื่องมันยาวสิบเรื่องไม่เคยรู้ทันสักเรื่องเลยนะพอเราเจริญสติเนี่ยมันพัฒนาการที่เห็นชัดๆก็คือสิบเรื่องเรารู้ทันเรื่องหนึ่งเพียงแค่มันจะคิดว่าจะเป็นเรื่องปุ๊บอ่ะมันรู้แล้วมันกลับมารู้สึกตัวไม่รู้ทันอีกเก้าเรื่องนะทําไปเรื่อยๆสิบเรื่องเนี่ยไม่รู้ทันแปดเรื่องรู้ทันสองเรื่องแต่มันจะพัฒนาอย่างเงี้ย ถ้าทําไปบ่อยๆคิดปุ๊บลูปปับคิดปุ๊บลูปปับนี่อัตโนมัติแล้วใช้การได้ละตรงนี้จะเป็นที่พุ่งได้ละคนที่ฝึกมามากๆฝึกมาบ่อยๆจะเกิดตรงนี้ได้ไหเพราะฉะนั้นต้องอาศาัยการทําบ่อยๆทําให้เกิดความชํานาญนะถ้าเราชํานาญแล้วเราจะอยู่ในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีมันจะใช้การได้เรียกว่าสติมันจะเป็นอัตโนมัติ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยสาหรับคนใหม่ก็ยังไม่ต้องใจร้อนะค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปสังเกตอยู่เรื่อยๆนะความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะเติบโตของเขานะเราไม่ต้องไปใจร้อนนะหลวงพ่อเทียนนั้นชอบเปรียบเทียบเอาไว้ว่าความคิดเนี่ยเหมือนหนูความรู้สึกตัวเหมือนแมวปกติแมวกับหนูมันเจอกันมันต้องจับกัน แมวต้องจับหนูกินเป็นธรรมชาติเป็นสัญญาติยานก็นอย่างนั้นเหมือนการความรู้สึกตัวถ้าเจอความคิดก็จะพยายามที่จะ เ, เข้าไปแทนที่ความคิดแรกๆความคิดมันมีกำลังมากเหมือนหนูตัวใหญ่แมวตัวเล็กแมวตัวเล็กไปจับหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่มีตะกแมวไปเหมือ น, นความคิดเนี่ยกำลังมันมากมันก็จะเราจะยังไม่ทันรู้สึกหรอก นะมันก็จะลากไปเราไม่ต้องไปไปบอกแมวว่าให้มันตัวโตนะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำไงให้อาหารแมวให้มันตัวใหญ่ใช่ไหมความรู้สึกตัวก็เหมือนกันก็คือเรามาทําความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยให้ได้บ่อยๆอันเนี้คือให้อาหารแมวก็คือให้อาหารความรู้สึกตัวมันโตขึ้นมันจะได้มีกําลังที่จะไป ทดแทนไปแทนที่ความคิดนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นกลไกธรรมชาตินะที่มีอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนะมาฝึกแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องไปห้ามความคิดและก็ไม่ตามความคิดบางคนมาฝึกเนี่ย โ, โหหน้าดาคาเคียร์เลยกดไม่คิดไม่อยางให้คิดนะจิตก็มีหน้าที่ที่เขาจะคิด แต่จิตอีกส่วนหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะรู้สึกตัวเพราะนั้นเรามาให้ความสนใจที่ความรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าให้ความรู้สึกตัวบ่อยๆความคิดมันก็จะอ่อนกำลังลงเหมือนกันไม่ให้ราคาไม่ให้ความสนใจคิดปุ๊บกลับมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวคิดปุ๊บกลับมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวทำตรงนี้ให้ได้บ่อยๆตรงนี้ถ้าเราทำได้บ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเป็นหลัก ให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดสามารถต่อรองกับสิ่งเหล่านี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามนะตรงนี้จะเป็นฐานสําคัญนะที่เราจะามาใช้ได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแต่มันยากตรงที่จะทํำยังไงให้มันต่อนเนื่องและทํำยังไงที่เราจะสามารถที่จะทําได้เรื่อยๆ นะตรงนี้สำคัญนะบางทีทำไปแล้วเบื่อมีอารมณ์เข้ามาต่างๆเราก็ทอ้อเพราะนั้นตรงนี้มันก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามความอดทนนะแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำลงไปนะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เป็นไปได้นะ นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้จากการสังเกตมาจากการที่ม า, เ, าเร่วมกันปฏิบัติธรรมทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ก็ตามเมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่กายชัดนะเราก็จะเห็นความรู้สึกสุขทุกข์กที่เกิดขึ้ น, นอย่างเช่นเรานั่งนานๆเราปวดนะเรารู้สึกโอ้โหมันเป็นทุกข์อ่ะนะเป็นทุกข์มากนะ หรือบางทีเราเดินไปสบายนะมีความปลอดโปร่งโล่งตัวเบาเนี่ยเป็นความสุขอยูแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นนะสิ่งที่ละเอียดเข้าไปนะสิ่งที่ละเอียดต่อไปก็คือความคิดนะความคิดเนี่ยนะมันจะไวมากมันจะมีกําลังมากในระหว่างการเจริญสติหรือในช่ว ง, งการฝึกเนี่ยนะมันคิดอะไรขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นคิดดีคิดไม่ดีทิ้งให้หมดเลยนะไม่ต้องไปนสนใจเลยนะบางทีเนี่ยเราทำไปนะโอ้โหมันมีความคิดดี่ดีเยอะเลยนะเป็นโครงการเยี่ยมๆทั้งนั้นเลยนะอย่าไปอย่าไปเชื่อนะนั่นะมันมาหลอกให้เราลืมตัวนะความรู้สึกตัวเราจะไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันจะไปกับความคิดนะเพราะนั้นคิดอะไรทิ้งหมดเลยไม่ต้องไปกลัวนะว่าโอ้หเดี๋ยวเจ็ดวันกลับไปเราจะคิดไม่เป็น มันจะยิ่งความคิดมันจะยิ่งมันจะเฉียบคมขึ้นแล้วมันจะรู้ว่าควรจะคิดอะไรหรือไม่ควรจะคิดอะไรอย่างที่อาจารย์ธงศิลได้พูดวันก่อนว่าเหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านเรามีของเต็มไปหมดเลยมันลกเราจะจัดระเบียบใหม่เราต้องรื้อเอาของเก่าออกให้หมดก่อนเหมือนกันเราจะจัดระเบียบความคิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาความคิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดทิ้งให้หมดเลย กลับมารู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็คิดออกมาอีกอะ่ะมันจะมีความคิดแบบหยาบๆความคิดในเรื่องที่มันมันไม่เคยดีอะไรต่างๆเนี้ยนะคขึ้นมาก่อนแล้วตอหลังมันก็จะเป็นความคิดที่มันมันดีๆโครงการดีๆความคิดดีๆนะซึ่งเราเนี้ยทิ้งหมดเลยนะไม่ต้องไปเอาเลยไม่ต้องไปกลัวนะว่าเราจะคิดไม่เป็นวิดีดอีกหน่อยเราจะกลายเป็น เบลอไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่เลยหัวเราจะโล่งโปร่งสบายเนี่ยเหมือนตอนเราได้พักความคิดพักสมองนะแล้วพักสมองและเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงด้วยแล้วนอนหลับจะไม่ฝันเพราะความฝันเนี่ยก็คือความคิดนะมีบางคนเนี่ยนะคิดมากก็เก็บไปฝันอันะนี้ได้ยินมีมีพระบางรูปบอกอยู่ที่นี่เนี่ยไปอยู่ในป่ามืดๆนะ ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบกุฏิเลยเป็นผีหรือเปล่านั่นก็คือความคิดถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดมันจะหลอกเอานะมันจะหลอกให้เราดีใจหลอกให้เราเสียใจความรู้สึกตัวนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้เลื่อมเกลี่ลวงของความคิดแล้วเราก็จะจัดระเบียบความคิดได้โดยเฉพาะ น, นักเรียนนักศึกษาหรือคนนางานเนี่ยจะมีสมาธิได้ไว ใครที่ไม่มีสมาธิสั้นคนที่ฟุ้งสั้นมากๆเนี่ยถ้ามาเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะ เ, เกิดขึ้นนะจากการปฏิบัติเมื่อเรารู้สึกที่กายนะรู้สึกที่ความความรู้สึกสุขทุกข์นะที่เรียกภาษาภาษาบาลีเขาเรียกเวทนาใช่ไหมความคิดก็เป็นจิตนะเป็นอาการของจิต ที่มันแสดงและเมื่อเราทําให้ได้บ่อยๆความรู้สึกตัวเหล่านี้มันจะทําให้เราไปเห็นสิ่งที่เป็ น, นกลไกต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นตาไปกระทบรูปดีใจไม่ดีใจพอใจไม่พอใจมันจะเริ่มเหม็นละเนกลไกเหล่านี้เสียงได้ยินเข้ามามีทั้งดีใจไม่ดีใจอะไรต่างๆเหล่านี้พอใจไม่พอใจ นะสิ่งต่างเหล่นี้จะเป็นกลไกที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะได้รู้กลไกเหล่านี้และเราก็จะได้ไม่เข้าไปอยู่ในความลวงนะของธรรมชาตนะิหรือความยึดถือทีนะ่เราเคยยึดถืออันนี้จะเรียกว่าเป็นการเจริญสตินะสติปัฏฐานสนีะ่ก็มีกายเวทนาจิตธรรม ที่วันแรกๆที่ท่านอาจารย์ได้ชใช้พวกเราดูสอย่างเนี้เราเริ่มต้นที่กายให้ชัดแล้วเดี๋ยวอีกสามอันมันจะเป็นไปเองนะมันจะเป็นไปเองเราไม่ต้องไปเฮ่เดี๋ยวจ้องไปรู้กายก่อนแล้วไปรู้จิตไปรู้อะไรสับสนเอากายอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะไปเข้าใจาอีกสามอย่างเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็อยากให้พวกเราได้ได้ได้ได พุ่ตรงไปตรงจุดที่เราจะทํากันนะซึ่งหลายคนเท่าที่สังเกตดูก็พอจับจุดได้แล้วล่วนะแต่แต่ก็มีบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยมันแค่นี้เองเหรอปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่รู้สึกตัวเองเหรอแล้วมันจะอะไรต่อไปก็มันแค่นี้แหละแค่ความรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวนี่แหละจะเป็นยานเป็นพาณนะที่จะพาให้เรา ไปถึงที่สุดของทุกได้นะความรู้สึกตัวนี่แหละแต่ก่อนจะมาฝึกก็สงสัยอย่างนี้เหมือนกันก็นถามหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่ามันเป็นทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์กันดูนะไม่ต้องไปสงสัยเลยนะลงมือทำนะถ้ามันสงสัยอะไรขึ้นมาก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งปล่อยวางมันเลยนะแล้วก็ลองดูนะว่า ใจเราสบายขึ้นมันปกติขึ้นมันกลับมารู้เนื้อ ร, ร, รู้ตัวได้ง่ายขึ้นความคิดมันก็มีกําลังที่จะมาครอบงําเราน้อยลงอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ครอบงําเราน้อยลงทําอย่างนี้แล้วไม่ใช่หมาย <c oughs> ก็ว่าเราจะไม่มีความคิดนะมีแต่มันไม่มีอำํำนาจที่มาครอบงำเราอารมณ์มีไหมมีแต่มันครอบงําเราไม่ได้นะมันไม่มีกําลังที่มาครอบงําเรานะเนี่ยตรงเนี้ย เหมือ น, นกับเรามีเกาะพิเศษเขาเรียกว่าเกาะเพชรนะความรู้สึกตัวมันจะเกาะป้องกันไม่ให้ความคิดนะเข้ามาครอบงมจิตใจเราได้นะซึ่งความคิดก็จะเป็นความโลภความโกรธความหลงนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรามีเกาะป้องกันนะสิ่งที่จะมาทำให้จิตใจเราหวั่นไหวจิตใจเราไม่เป็นปกตินั่นเอง เพราะฉะนั้นก็สรุปในอตอนนี้นะว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสตินั้นมีจุดมุ่งหมายในะที่จะให้ชีวิตของเรากับสู่ความเป็นปกติที่มีอยู่แล้วโดยอาศัยความรู้สึกตัวเป็นตัวปรับเป็นตัวที่นำคืนสู่ความเป็นปกติเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะให้เรารู้เท่าทัน ความรู้สึกอารมณ์ความนึกคิดซึ่งอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยหลงลืมตัวไปยึดถือในสิ่งต่างๆทำให้ใจเราไม่เป็นปกตินั่นเองการปฏิบัตินั้นจำเป็นที่จะต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆซับซากเพราะว่าเราติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ ความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันสะสมความเคยชินเก่าๆมันมันเป็นความเคยชินเป็นยางเหนียวนะที่เรียกว่าอุปทานเนี่ยมันมันมีมานานนะเราก็ต้องค่อยๆที่จะแกะที่จะเลาะที่จะออกไปนะก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรพยายามใช้สติปัญญาของเราทำให้บ่อยๆทำให้เรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นเราก็จะชำนาญขึ้น เราก็จะพึ่งตัวเราเองได้มากขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราพึ่งได้นั่นแหละเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตัวขึ้นมาพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงที่ปรากฏพระสงฆ์ก็คือการที่เราเจริญสติเห็นความจริงของชีวิตทางในแง่ที่เป็น สิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามนะแล้วก็ความเป็นปกติของเรานั่นเองนะเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมานี่แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่เขาอบอกว่าพระรัตนตยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราก็อยู่ตรงนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอให้เราได้พิจารณาแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเราเองไม่ต้องเชื่อ นะเพราะความเชื่อจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็แค่ได้ยินได้ฟังเดี๋ยวพอเราลืมก็หายไปละแต่ถ้าเราทําขึ้นมามันเกิดผลให้เราเห็นจริงๆนั่นนหะคือความศรัทธาที่แท้จริงที่มั่นคงแล้วก็เป็นสิ่งที่จะพึ่งได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้อลานในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกัเวลานะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ ความภาคเพียรพยายามของทุกท่านนะที่ได้มาเจริญสตนะิจงเป็นพละวะปัจจัยมุนนำส่งให้ทุกท่านนะได้ประสบพบกับความสิ้นทุกขนะคือความเป็นปกติของใจโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินเจริญพร